أعوذ بالله من, من ا, أ ل شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله م ص ل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ขบนาเอตินาหมิลลาดุนค์กระหัพเมตานุเฮยเอนามินอัมร์นาราชดาอัลฮัมดุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับเราเหลือเวลาอีกครั้งนี้และก็สัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์นะครับ คิดว่าคงจะจบได้ทันนะครับรมฎอนก่อนที่เราจะเข้าสู่โหมดเดือนรมฎอนเราได้ทันอัลฮัมดีล่ะนะครับถือว่าการทะดบอร์หรือการเรียนสุร a ะอัลมุซัมมิลเราหวังว่ามันจะเป็นสเสบียงสำหรับรมฎอนได้น ะ, นะอิช a า l a h นะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การทำอา말อิบัตัดในยามค่งคืนซึ่งเดืดอนอัมรดนั้นเป็นเดือนที่กลางคืนจริงๆแล้วมีความหมายมากสำหรับมุมินทุกคนโดยเฉพาะคือจริงๆแล้วกลางคืนนี่มันก็มีความหมายในแง่ของ เ, ออเขาเรียกว่าการที่มุสลิมมุมินผู้ศรัทธาจะเข้าเฝ้า อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ใช่เฉพาะเดือน ر ม ض ا ن แต่ว่าในเดือนร م ض ا ن นั้นมันจะยิ่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าเดือนอื่นๆอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราหวังว่าการเรียนของเราจะกสุรษะอัลมุซัมมิลจะช่วยกระตุ้นช่วยประคับประคองให้เรานั้นได้มีกําลังใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณที่จะเข้าหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในเดือนอันประเสริ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن นะครับอิน้า ن ز, ن ز ل ن ا ه في ليلة مباركة อัลลอฮฺ تعالى บอกว่าพระองพระทานลงมาส่งพระทานอัลกุรอานลงมาในเวลากลางคืนอันนี้แหละที่บอกว่ากลางคืนเนี่ยมีความหมายมากกว่ากลางวันในแง่ของความผูกพันของเรากับอัลกุรอาน แล Allah ah. ma, ้วก็ความผูกพันของเรากับอัลลอฮ์สุลตางะอัลลนะครับเพราะอัลลอลาบอกเองไลลัมูบารกะทรงประทานลงมาทรงประทานอัลโตรานลงมาในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยบารักะค่ำคืนที่เต็มไปด้วยบารักะก็คือไลลัตุลกัดรไลลัตุลกอดรีขยรุมินเอลฟชั่์รค่ำคืนแห่งไลลัตุลกอดเนี่ยถ้าเราทความดี มันจะมีผลบุญมากกว่าถึงหนึ่งพันเดือน س ب ح ا ن a l อ a h เพราะฉะนั้นมุสลิมมุ่งมินผู้ศรัทธาจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวทุกด้านนะครับโดยเฉพาะหัวใจอันนี้ต้องเตรียมก่อนเลยเตรียมหัวใจก่อนเลยเตรียมหัวใจที่จะต้อนรับแ ร, บรมอตอลเตรียมหัวใจที่จะต้อนรับเดือนแห่งอัลกุรอาน a ล l a h taala สร้ า, างให้เราดีใจกับอัลกุรอาน ในคำพีธของพระองค์ในคำสั่งของพระองค์มีคำสั่งให้เราดีใจกับอัลกุรอานด้วยไม่มีคำสั่งให้เราดีใจกับอย่างอื่นนอกจากตอนที่เราเข้าสวรรค์บุชรอคุมูลเยวมาจันนาตเวลาที่เราเข้าสวรรค์รัละตะละก็จะแสดงความยินดีกับเราจอแต่ไม่ได้สั่งให้ดีใจ อ, อับชิรก็ได้นะเป็นการให้แสดงความดีใจเวลาที่เราเข้าสวรรค์แต่ในโลกดุนยาเนี่ย ก่อนที่เราจะเข้าสวรรค์เนี่ยมีอะไรที่จะทำให้เราดีใจเบิกบานใจพิตินดีคำสั่งขอล a l ชั h ขติมาน قلب بفضل الله وبرحمته فبذلك ف ل ي ف ر ح و จงกล่าวถึงมูฮัมหมัดบล ض ل الله ด้วยบ فضل الله กับบุญคุณของ Allah ورحمته บดุลราะมัติฮิโดยความเมตตาของอ l l a h ฟะ ذلك فل يفرحوا โดยสิ่งดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจคาว่าบุญคุณของ Allah รหกมัตของ Allah ในเวลาที่เราไปดูตัดสีนหรืดูอายะทก่อนหน้านี้อายะที่นี้มันกำลังพูดถึงการที่ a l ล a h سبحانه และเตละประทานอัลกุรอานลงมาให้กับเรา แสดงว่าการที่ Allah ประทานอัลกุรอ า, ลรานลงมาให้กับเราเนี่ยเราจะต้องดีใจก่อนที่เดือนร رم ฎอนจะมาถึงต้องปรับจูนหัวใจของเราให้มีความรู้สึกดีใจทํำยังไงให้เรามีความรู้สึกว่าอ้าวาชะลอดีใจที่เดือนมอรฎอนจะมาถึงจะทํำยังไงให้หัวใจของเราพร้อมที่จะต้อนรับเดือนรกมฎอนเตรียมอย่างอื่นนะครับเตรียมร่างกายของเราเตรียมสุขภาพ นอกจากจะต้องเตรียมหัวใจแล้วเหมือนที่ท่านนาบีตเตรียมตั้งแต่เดือนรอกับเดือนชะบานสลับบางคนตั้งแต่เดือนรอกับมาเตรียมหัวใจครับถือศีลอดอ่านอัลกุรอา น, อานเตรียมสุขภา พ, ส, ภาพสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะคนที่มีโรค ป, ประจําตัวจะทํายังไงไม่ให้เราพลาดผลบุญในเดือนระมาดอนเพราะว่าคนที่มีโรคเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องถือศีลอดแต่เขาก็จะพลาดไง พลาดผลบุญถามว่าละสินอดได้ไหมสําหรับคนป่วยละสินอดได้แต่การละสินอดของเขานั้นมันไม่ได้บุญวันตาซูมุคอยรุน ล, ละกุมการที่พวกเจ้าถือสินอดนั้นดีกว่าการที่พวกเจ้าละสินอดพระความจําเป็นเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยไม่ควรละต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงอย่าให้ป่วยห้ามป่วยนะทรมาร์พรถ้าอยากจะได้ผลบุญเยอะ ฉะนั้นจะต้องเตรียมร่างกายใครที่เคยมีโรคอะไรต้องกินยาอะไรต้องลองไปหาหมอลองปรับยาของเราใ ห, ให้ได้ว่าเราจะอยู่ให้ถือศีลอดในเดือน ر มตอนให้ได้อย่างไงเตรียมอะไรอีกครับที่เราจะต้องเตรียม เ, เตรียมทรัพย์สินสักหน่อยเตรียมเตรียมเาเรียกว่าเตรียมเตรียมทาบุญในเดือน ر ม ض อนเพราะเป็นเป็นฤดูการทำบุญเตรียมตังค์ผมเคยบอกกับหลายๆคนว่า แล้วก็เคยได้ยินนะครับลามะนักวิชาการอุสตะบันดาเชของเราหลายคนก็บอกว่าทุกคืนเราจะต้องบริจาคสักหน่อยก็ยังดีให้มีการบริจาคทุกคืนของเดือนรามองตอนเป็นการกเรียกว่าดักไสเหมือนดักปลาถ้าคืนไหนตรงกับรายละตุลก็ต์เนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าเราดักทุกคืน ไม่ใช่เลือกดักเฉพาะเดือนวันเอ้ยวันนี้เดือนแจ้งดักสักหน่อยปลาไม่มาเพราะดักทุกคืนดีกว่าเดือนแจ้งไม่แจ้งมันก็มันก็ได้สักคืนนึงมันต้องได้แน่นอนถ้าเป็นคืนธรรมดามันก็ได้อยู่แล้วปลาเล็กๆนะ้ำมันมาทุกคืนอยู่แล้วเดือนรมงนังกรใช่ไหมครับแต่ปลาใหญ่ที่เราต้องการก็คืออะไรละตุลกอตเนี่ยมันจะต้องมาสักคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นดักทุกคืนตั้งไว้เลยคืนหนึ่งเราจะบริจาค ก, กี๊บะ ถ้าคืนละสิบาทเดือนหนึ่งก็สามร้อยเกตโอ้ยเลยสามร้อยแล้วไม่ต้องบริจาคทีเดียวสามร้อยบริจาคทีละสิบบาททุกคืนเป็นการบริหารจัด ก, การการทําความดีไหมครับเตรียมไว้เลยถ้าใครคิดว่าน้อยเกินสิบาทอ่ะก็คูณไปสิคือละกี่บาทยี่สิบยี่สิบก็คูณสามสามสามสิบก็หกร้อยเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยตังมีไม่มีตังจะกินข้าหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยอย่างน้อย ต้องมีสําหรับการบริจาคเพราะท่านนบีสุลต่านละอัลสลามเดือนอมาดอลเป็นเดือนที่ท่านใจบุญที่สุดเดือนอมาดอลเป็นเดือนที่ท่านนบีใจบุญที่สุดโดยเฉพาะหลังจากที่ท่านออกมาจากการอ่านอัลกุรอานกับจิบรีดอัลลอฮิสซลาหอัลกุรอานทําให้คนใจบุญอ่านอัลกุรอานเสร็จออกมาเนี่ยใจบุญมากเลยอิบนอัลบากบอกว่า อากาศจากมันรีลนรลนกลิ่นที่มีกลิ่ดที่มันพัดมาหมายความว่ามันโดนหมดเลยใครเห็นใครก็คือให้ใหอิทธิพลของอัลกุบะอันการิบอัลลอฮนะเพรฉะนั้นเตรียมเอาไว้นะครับเตรียมหัวใจเตรียมร่างกายเตรียมเงิน แล้วก็เตรียมเวลาทําตารางเวลาเอาไว้เลยว่ารอมฎอนจะทํำยังไงให้มันได้ทั้งกลางวันเราจะต้องทํางานกี่ชั่วโมงกลางคืนเราจะต้องแวาดั้นเท่าไรสักเท่าไรครับเพื่อเป็นการมันมีแค่ปีละครั้งสุบภานวลลหรอสมัยก่อนจะมีดวอาแตคนสมัยก่อนก็จะมีดวอาว่าขอดูอาหกเดือนให้เดือนรอมฎอนมาถึงก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงหเดือนนี้ขอดูอาแล้ว ออฮมาดอนมาเอา้าอีกหกเดือนอีกห้าเดือนที่เหลือเนี่ยใช้ขอดนุญาให้ละตลารัดสิ่งที่ตัวเองได้ปฏิบัติทำนัในเดือนออฮมาดอนนี่แหละครับอาวล่ะปีนี้มันตรงกับสุรทูลมุซจำมิลซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภารกิจของผู้ศรัทธาในยามกลางคืนนะครับข อ, ขอให้มันเป็นสเสบียงของพวกเราทุกคนนะครับเราเรียนจบอาทิตย์หน้าก็ลองทบทวนดูนะครับว่าเราทบทวน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกียร์มุลไลของท่านนาบีสุลต่ลนมีรายละเอียดอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยทําให้เรานั้นมีพลังที่จะลุกขึ้นมานวิญญาณสําคัญมากนี่จากสุรุษอัลมุซัมมิลเนจะทำให้เราเห็นชัดเจนว่าการทํางานของท่านนาบีสุลต่านท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของจิตวิญญาณเป็นที่สุดการทํางานดาวะการทํางานอะไรก็แล้วแต่เป็นการึิดมาด ก, การรับใช้สังคมการทำอ่าดิ คือเป็นงานเคลื่อนไหวงานองค์กรเพื่ออิสลามหัวใจต้องมาก่อนจิตวิญญาณต้องมาก่อนโอเคปัจจัยอย่างอื่นเราก็จําเป็นงบประมาณก็จําเป็นคนก็จําเป็นการบริหารจัดการที่ดีอุปกรณ์ต่างๆก็จําเป็นแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดที่ทุกคนจะต้องมีในองคอ์กรที่ทํางานเพื่ อ, ออิสลามก็คือหัวใจถ้าสมมติสมาชิกในองค์กรเนี่ยเก่งหมดทุกคนเลยแต่หัวใจไม่ได้เรื่อง เรารับประกันไม่ได้ว่าการทํางานขององค์กรนั้นจะจะประสบความสําเร็จองค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับหัวใจของสมาชิกต้องมีโปรแกรมเขาเรียกว่าแตสกียหัวใจของสมาชิกด้วยมันถึงจะไปได้ด้วยกันที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงรวมๆนะครับมัสยิดเองก็เหมือนกันกรรมการมัสยิดเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับหัวใจของกรรมการมัสยิดด้วย ไม่ใช่ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมอย่างเดียว อ, อบรมที่อบจอบรมที่อบตอ บ, ร ม, อ บ, ร, มอบรมที่กรุงเทพไปดูงานถึงต่างประเทศแต่ไม่ดูงานในหัวใจของกรรมการมันไม่เกิดผลต้องดูตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูงานต่างประเทศดูข้างในก่อนโปรแกรมอื่นเรามีหมดแต่โปรแกรมดูแลหัวใจเราไม่มีเป็นไปไม่ได้ครับหน้าที่หลักของท่านนาบีก็คือดูแลหัวใจของซอฮบบะของท่าน วายุ zakiihim นี่เป็นหน้าที่ของท่านนาบีวายุ zakiihim ทักษยะทักษิยะคือการตัดพรการทรเบียการดูแ ล, ลอะขลากดูแลจัญญามารายาดูแลพฤติกรรมดูแลนิสัยเป็นหน้าที่ของท่านนาบีสุลตัลละขอรั บ, รบนะครับเราได้บทเรียนเยอะมากอาส่เนนี้วันนี้มาอ่านก่อนเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่ทันนะสัปดาหนะ์นต้องจบแล้วนะไม่จบไม่ได้นะอ่ะ สมมติสัปดาห์หน้าไม่อยู่นี่ทำไงดี <ت ص في ق> ต้องอ่านกันเองให้จบนะอะชาลล์จบครับชาลล์ขออุดหนุนให้จบนะวันนี้อายัดที่อ่าเยอะหน่อยนะอายัดที่สิบหกอายัดสิบสองอายัดที่สนะิบสองนะอ่า أعوذ ب ا ل ม ه من ช ل ش ي ط ا ن ا ินนัَเดย์ ل ่ و อัَคาโَ ا ์เ ا ذ ا มะวัตถามันดาอุศติ์และอาลัย ย์ْ์ทรَฟ้ลัร ن ์วัลจบาลว์คานัَิลจบาล์คัธิบัม إِنَّا เราสั่งนั่นไปเลยคุมรัสูลน์ช่าร ا สูลน์ ف ิรْกَ و ن ا ر س و ل ฟางซ่าฟิร์ก عون الرسول فأخلناه أخذ وبيلا فكيف تنتقون إن كفرتم ي و م ي ا يجعل الولدان شيبا อัลสัมมาอุมุฟัติรุบิ ดูหูมั่งภูลาอินนั้นฮะซีท๊ะซีราฟัมน์ชั่อทั้วข้าได้เอล่ารับ ในล ب ي ล Allah ا ل ح ا أ ن ح ي م ا อายัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับอายัดที่ผ่านมานะครับหลังจากที่อัลล่าวท่านบอกท่านรอสูวะซลละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ เจ้าทําหน้าที่ของเจ้าเสร็จแล้วคนมุชริกีนจะต่อต้านเจ้าเจ้าว่าเจ้าจะกล่าวหาใส่ร้ายเจ้ายัางไงไม่ต้องไปสนใจปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของข้าเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะจัดการเองไอ้พวกไฮโซไอ้พว ก, พวกทั้งหลายแหละในยุค ข, ของท่านนาบีนะครับเพรา ะ, ะ, ะอาัลลอฮ์บอกว่าอินนันและได้นะอันคาลันวะจฮีมะแท้จริงแล้ว ณที่เรานั้นมีการลงโทษด้วยโซ่ตรวนว่าลามีโซ่ที่จะใช้ในการล่ามคนพวกนี้อังคกลันหมายถึงโซ่นะครับที่ใช้ผูกอังเกลันก็คือโซ่ที่หนักอะลกุยูดอัลธะติลห์วะเจฮีมะล้วก็มีนารุกที่จะพักเขาฟักเขาน้าอุบิลลาห์อันที่สุ วตามันซาหุสติลามโซยังไม่พอนรกยังไม่พอมีอาหารให้กินด้วยแต่เป็นอาหารแบบไหนซาหุสต์เป็นอาหารที่กินไปแล้วเนี่ยจะติดอยู่ที่ลูกกระเดือลงไปไม่ได้เหมือนในเวลาที่เราติดก้้งปลาพี่น้องทรมานไหมเวลาที่ติดก้ง้งกั้งปลาติดคออาหารของคนที่ต้องเข้านรกนี่หนาวสุดเป็นหลน เหมือนอาการของคนที่ติดก้างปลากินก็ไม่แล้วกลืนไม่ลงจะคายก็ไม่ออกนี่คือจะติดอยู่ที่ลูกกระเดื่อในอายัดอื่นเราเคยเรียนแล้วสุรทุลฮะกะอาหารของชาวนรกมีอะไรบ้างครับอ่ะจได้ไหม้ยซลฮุตอสุรุตุลกาชีย ليس لهم طعام إلا من من ضرير น้ำแห่งคืออาหารของชาวนรกแล่ในสุระตุลฮัก์น้ำกริสลินฮมินริสลีนก็คืออะไรน้ำหนองน้ำที่ออกมาจากตัวของเขาวนรกเองที่เกิดมาจากการเผาไหม้แล้วมันก็เกิดเป็นน้ำหนองนี่แหละคืออาหาร ในอายัดอื่นมีลูกมีลูกหนึ่งผนะลไม้ในนรกที่มีชื่อว่าส um ักกู้งเคยได้ยินไหมครับตรัลงฮะก็อันนั้หรูอูสุชัยาตีนทลายของมันเนี่ยเหมือนกับหัวของชัยตอนน้อดูเป็นละนี่คืออาหารของัเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วเนี่ยตื่นไม่ลงแต่ต้องกิน้ายไม่ออก ลอิลาอิลลนะอบิลลินันี่คือท ع มซาสตนและอซาบนอละการลงโทษอันเจ็บปวดอันเจ็บแสนะอบิลลินซาลิเพราะฉะนั้นไอ้ที่เจ้ามีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้มาทำร้ายเจ้าเนี่ยอย่าไปใส่ใจเลย พวกนี้มันจะโดนมันจะโดนหนักกว่าที่เจ้าโดนจากคนพวกนี้ทำกับเจ้าอีกแน่นอนเป็นการเป็นการขู่มุชริกีนด้านหนึ่งและเป็นการช่วยปลอบปลอบประโลมท่านนาบี Muhammad ไม่ให้รู้สึกท้อใจอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อไรครับการลงโทษเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร่ยาว์มตัดุฟุลอาร์ดุ์แลจิบาลในวันที่ แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนทารยุยฟก็คือแผ่นดินไหวสั่นคลอนวันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะท้านและไหวสะเทือนว่าแกนจิลจบลกัีบัมมาฮีลาจนกระทั่งนะมันภูเขาเหล่านี้การสั่นไหวของภูเขานี่มันจะไหวแรงมากจนกระทั่งมันกระจุย แล้วกลายเป็นแกซีบแกซีบนี่ก็คือทรายพวเราเคยเห็นภาพทรายนะคร บ, บางทีอาจจะเคยดูนะครับไปประเทศอาหรับไปทําฮัทไปอะไรก็แล้วแต่จะเห็นภูเขาเป็นทรายทั้งหมดเลยหรือว่าทรายที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดูนดูนใช่ไหมที่ว่าเป็นภูเขาทรายที่เวลาลมพัดมามันก็จะไปกับลมภูเขาที่เราเห็นเนี่ย จะกลายเป็นทรายที่มันไหลเหมือนแม่น้ำเลยไหลแกซีแกซีบมาฮีแหละมาฮีแล้วก็คือแตกกระจุยเป็นผงเลยเป็นผงละเอียดเลยจากที่มัน เ, เป็นก้อนเป็นหินใหญ่โตเนี่ยสุภานัลล่นอหลในวันเกียร์มัดเนี่ยจะไม่เหลือแล้วภูเขาจะไม่เหลือลจะราบเป็นหน้ากลอบจะกลายเป็นฝุน่นแล้วก็กระจายไปใ น, ใ น, ใ น, ในอากาศหมดเลยนี่คือสภาพของวันเกียมัด وكانت الجبال كثيبا مهيلة หลังจากนั้นหลังจากที่ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับบอกท่านนาบีสุลต่านสั่งว่าให้ปล่อยไปให้ปล่อยพวกมุสลินที่กําลังดูถูกเจ้าถากถามเจ้ากําลังพูดปล่อยมันไปสักวันหนึ่งคนพวกนี้จะต้องดูไปการขู่ไปการขู่ให้คนพวกนี้นะครับด้วยขู่ด้วยอะไรครับขู่ด้วยวันอัคราชขู่ด้วยการลงโทษ นะถ้าคนพวกนี้จะสำนึกขึ้นมาได้จะกลัวขึ้นมาได้นะจากพฤติกรรมชั่วๆที่พวกเขาเหล่านั้นทำกับท่านนาบีมูฮัมมัดสลตัลลอะลัยะัลลัมจบตรงนั้นฉากต่อไปเป็นฉากยกอุทาหรณ์หรือเขาเรียกว่ายกประวัติศาสตร์ในอดีตจากเรื่องราวที่คนเหล่านั้นรู้จักดีเคยได้ยิน เคยได้ฟังคนเล่ามานั่นก็คือเรื่องราวของฟิรอาวนลราตะาลายกตัวอย่างให้คนมุชริกีนมักกะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการสะกิดให้นึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยที่เจ้าทำกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยมันไม่ได้ต่างไปจากที่ฟิรอาวนได้ทำเอาไว้กับมูซาอัลัยฮิสสลัมอินน่า أرسلنا إليكم ر س و ل ชฮฮิดันอะลัยกุมแท้จริงแล้วเราได้ส่งมายัางพวกเจ้าทุกคนได้ส่งมุฮัมมัดมายัางพวกเจ้าอุบรรดาชาวมักกะรอซูลันให้เป็นรอซูลให้เป็นศาสนาทูตเชฮฮิดันอะลัยกุมเป็นผู้ที่เป็นสักขีพยานให้กับพวกเจ้าในวันอัคราตในวันอัคราตนี่ท่านนาบีศสุลลัลลอฮฺอัสซาลลัมจะ ยืนย่ตนาอัลลอฮฺ سبحانه และ ت มื่อเจ้าะท่านนาบีรอสูลทุกคนอัลลอฮฺ س ละจะถามคนที่เป็นนบีทุกคนจะต้องถูกถามก่อนหน้าอัลลอฮฺ س ه แะว่าได้ทำหน้าที่ในการเชิญชวนมนุษย์ประชาชาติในยุค ข, ของท่านเหล่านั้นไปสู่อิสลามหรือเปล่าได้บอกเขาหรือเปล่าว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ س ะ นบีนุ่จะถูกถามนบีอิบราฮีมจะถูกถามปราชุดุลทุกคนจะถูกถามหมดรวมถึงท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละลอสัลลัมก็จะโดนถามเช่นเดียวกันว่าบอกหรือยังด้ว่าหรือยังตักเตือนหรือยังแล้วท่านนบีก็ไม่ใช่เฉพาะท่านนบีนะครับพวกเราก็จะโดนถามด้วยอมมร์ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละลอสัลลัมจะได้ทำหน้าที่นี้ด้วยพวกราทุกคน สุขานัลลอฮ์นี่เป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีในอุมะอื่นนะฮะนอกจากอุมะ a h ของนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัม أنتم شهداء على الناس นบีบอกว่าพวกเจ้าทุกคนจะได้เป็นสักขีพยานกับประชาชาติอื่นในวันอัครัดสุขานะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะล่จะถามนบีนูฮ์ก่อนสมมติถามนบีนูฮ์ถามอุมะ a h ของนบีนู ถามอุมมาของน บ, บีนุฮะเนี่ยนุชทาหน้าที่ของเขาหรือเปล่าพวกเจ้าฟังท่านน บ, บีนุชเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะอธิบายแล้วหรื อ, อยังในสุรานุอะอธิบายได้อย่างจําได้ไหมจะถามน บ, บีจะถามประชาชิของน บ, บีนุฮะว่าเนี่ยทำไมพวกเจ้าถึงยังชีริกกับอัลลอฮ์ประชาชาติของน บ, บีนุชที่ไม่ศรัทธาก็จะบอกว่าจะอ้างว่าน บ, บีนุชไม่ได้ด่าว่าเรา อัออลลอฮฺตะลาก็ถามจำเลยนบีนุกลายเป็นจำเลยเพราะโจทย์บอกว่านาบีนุไม่ได้วะไม่ได้มาบอกนบีนุก็จะไปบอกจะไปตอบกับอัอลลอฮฺบ้างตะลาว่าฉันได้ทําหน้าที่ของฉันแล้วฉันบอกแล้วดูดาวะของนบีนุที่เราเรียนเมื่อสองสุรษ ท, ที่ผ่านมาเนี่ยสุภาพัลลอฮฺไม่มีสมไม่มีข้ออ้างอีกนบีนุจะตอบับอเราบอกฉันทําหมดแล้ว กลางวันกลางคืนตามคนเดียวทำแบบยะมาะทำแบบทุกกระบวนการฉันทำหมดแล้วดูความยุติธรรมของ Allah s u b h a n และตาละจะถามว่าเจ้ามีพยานหรือเปล่าใครจะเป็นพยานให้กับเจ้าฮะนบีโน่คนนียังต้องการพยานแล้วใครเป็นพยานให้กับนบีโน่พวกเราทราบไหม สุบฮานอัลลอฮ์อุม mah ของท่านนาบีมูฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามจะช่วยกันเป็นพยานให้กับท่านนาบีนุอะลัยฮิสสลามเราได้เป็นพยานให้กับคนที่เป็นนบีนี่คือความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของอมุม m ของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามพอเราเป็นพยานนี้กับท่านนาบีนุบเสร็จแล้วท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิลมก็จะมาเป็นพยานให้กับเราอีกคำรบหนึ่งว่า ใช่เหมือนที่เราเป็นพยานกับธนบินนุงจริงๆนี่คือหนึ um, um, well, then, ่งในจานวนการอธิบายความหมายของอายะที่อัลลอก่าวา“เพราะฉะนั้นอายะนี้ ท่านนาบีสลุลตารงสลัมจะเป็นสักขีพยานตอนน้นอลัลลอฮฺทรงบอกเราแล้วว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับในวันที่ท่านทำทำฮัจจฺวะดะวันที่ทำท ำ, ทำอะไรนะหัจจ์ครั้งก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านประกาศเสร็จท่านก็ยกนิ้วขึ้นชี้แล้วท่านว่าอัลลอฮฺมาฟาชัดยาอัลลอฮฺได้โปรดเป็นสักขีพยานด้วยฉันได้ทำหน้าที่ของฉันแล้วนี่คือ นะครับกระบวนการมันจะเป็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาต่อท่านบุมฮัมมัดสลลัลสัลลัมในวันอาขรัตเขาจะไม่มีข้ออ้างเพราะขออ้างมันหมดระวังให้ดีนะครับพวกมุชริกีนโดนโดนละอัลลประกาศเองอินน่าอัลสลนะอิลัยขุมรอสูลันชาฮดอลัยุมคมาอัลสลนอิลาฟิรรอสูละเหมือนกับที่เราเคยส่งมูซา ไปเป็นสักขีพยานให้กับฟิราผลปรากฏว่าเป็นยังไงฟาอซ่ฟิรานุรัสูแล้วฟิราห์ก็ทำอะไรครับอาลซาอไม่ถึงปฏิเสธจริงๆแล้วมันมาจากคบว่ามะเสยียตนั่นเองก็คือไม่ฟังดื้อด้านนะครับดื้อด้านกับมูสาอะลัยฮิสสลาม เมื่อดื้อด้านกับมูสาแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฟอคอสเอัคนวบีลเราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษที่หนักหน่วงมากเพราะฉะนั้นพวกมุชริกีนระวังให้ดีถ้าสมมุติว่าฟิร์าวนซึ่งมีอำนาจมากกว่าพวกเจ้าใช่ไหมครับ ฟิลอาวนี่เป็นใครลองเทียบกับพวกมุชย์กินนี่มุชย์กินเทียบได้ไหมกับฟิลอาว์มุชย์กินมีอำนาจที่ไหนมีความแข็งแกร่งที่ไหนเหมือนฟิลอาว์ไหมไม่ถึงฟิลอาว์ขนาดฟิลอาวที่มีอำนาจมากกว่าพวกเจ้าอาลัลลอฮาทำลายมาแล้วด้วยการที่ฟิลอาวเนี่ยปฏิเสธมูสาซึ่งเป็นนบีคนหนึ่งของอัลลอฮ์แล้วนับระสาอะไรกับพวกเจ้าซึ่ง ต่ำต้อยกว่าฟิร์อาอีกในโลกดุนยียไม่มีอำนาจอะไรเลยจะสู้ฟิร์อาก็ยังไม่ได้แล้วปฏิเสธนบีซึ่งมีเกียรติกว่ามูซาผิดน้องเข้าใจภาพหรือเปล่าครับนบีม uh ูฮัมมัดสลลัลเป็นนบีที่มีเกียรติกว่าท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลัมในขณะที่ชาวมุชริกีนมีอานาจน้อยกว่าฟิรเอาลฟิรอามีอานาจใหญ่ ไปปฏิเสธน บ, บีมูซาซึ่งเป็นน บ, บีคนหนึ่งที่เกียรติของท่านน บ, บีมูซานี่มีเกียรติอยู่แล้วแต่ว่านจะเทียบกับของท่านน บ, บีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดนี่เป็นผู้ที่มีเกียรติมากที่สุดเอาละอาราถทำลายก็ได้เอามาแล้วแล้วนักประสาอะไรครับเจ้ามุชริกินทัน้งหลนี่เป็นการสำทับเป็นการขู่นะครับว่าทําได้ไม่มีปัญหาเลยสุฮานั่นแหลาอิละฮะอิลลัลลอฮ์สักรุลลอฮ์มี มีคำพูดที่สวยงามมากของท a f s i นะครับของท afsir อิมรุสซาดีนะครับเกี่ยวกับอายนี้ท่านบอกว่าอย่างไงอยูุท้าาลาวอัลลอฮฺต้าลาตรับว่าอิห์มดูรับบกุมโอ้มุชกินทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮฺต้าเลาเถิดไม่ใช่แค่บอกว่าอย่าทรยศท่านอับดุมฮัมหมัดอย่างเดียวนะต้องขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณเพราะอะไร อนี ير, هم, ه, รชิงๆแลิว้พวนนพวกเจ้าูะะรร่าูจะิิขอบนุนโลกนีที่นบีคจิง้นนกี้ได้่เป็นรู้ชี้แงถึงสิที่เกข้นในกนี้ผู้เป็นผู้ชี้แงเก้นนลนี้ีเ้ชีจาเกใครลานี้จากพวกเจ้าเองมาจากคนอนน มาจากเผ่ากูเรชมาจากบนีฮาเชมซึ่งเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าจริงๆแล้วเจ้าไม่ควรจะปฏิเสธด้วยประการทั้งปวงจะต้องขอบคุณอัลลอฮาด้วยซ้าแต่กลับตาลปัด <c oughs> ไม่รู้จักนหมัดไม่รู้จักคุณค่าของนบีคนนี้สุภาพนั่นละ ฉะนนั nah, ้นอห์ารุนะครับ و ا ك م أن تكفروها ระวังให้ดียาดับปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในใน ت ف ي ر อิมนุกัลธิรเนะสดีบอกว่าต้องดีใจในขณะที่อิมนุกัลธรอธิบายว่าอห์ารุฟะฮ์ารุระวังให้ดีการที่เจ้าปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดนี่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นฟาซีบกุมมาอซาบ ฟิร์งอนที้นเขาเ ร, ระองระงให้ดีถ้าพวกเจ้านอกจากจะไม่ขอบคุณแล้วถ้าอยู่เยยัเขเอางาไหร่นะไม่ขอบคุณไม่ฟังอยู่เฉยเอยอัดขวางไม่เท่าไหร่แต่นี่นอกจากจะไม่ฟังแล้วไม่เรัทาแล้วขัดขวางองีกระวัางให้ดีถ้าขัดขวางแล้ว ระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับฟิลเอา้มาแล้วซึ่งเป็นอะไรที่น่าอดสูมากการลงโทษฟิลเอา้เป็นอาญาเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบัยร์อัลตะลาทำให้มันเห็นจนกระทั่งทุกวันนี้ใช่ไหมครับอลัลตะลาบอกเองในอัลกุรอานของพระองค์ว่าเราจะให้คนรุ่นหลังได้เห็นการลงโทษฟิเอา จนถึงวันเทอมัดจนกระทั่งทุกวันนี้มีร่องรอยการลงโทษของฟิรเอาให้เราเห็นอะไรนะมัน ม, มีนี่แหละครับสุดานลลรับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับพวกมัชดเกีมทั้งหลายละอิละฮิลลอา์อัสจบนะจบด้วยการเตือนสำทับมาถึงท่อนต่อไปนะกลุ่มอายัด ต, ต่อไปอีกสองอายัดสามอายัต ฟ كيف ททตทูนอินคัฟร์ทุมยุ่มัน ل อวลดานชีพวกเจ้าจะปกป้องตัวของพวกเจ้าได้อย่างไรหากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาในวันอาขรัตเนี่ยวันที่จะเกิดความโกลาหลอย่างนู้นอย่างนีน้พวกเจ้าจะปลอดภัยได้อย่างไงจริงๆแล้วอายัดนี้มีการอธิบายสองแนวนะครับแนวที่หนึ่งเนี่ย كيف ้จตะกุ ب ب ي ي ي ي ่หมายถึงว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยได้อย่างไรพวกเจ้าจะปกป้องตัวของพวกเจ้าได้อย่างไรในวันอัคราตยุมะเยกูนยุมะยูมันจัลุลวิลดานชีบะอัลสมาอุมุนฟัติรบิแค่หน้าวัดูมะฝูละอะลัตอลาอติบายน์ทีมัตรงนี้เอาไว้ยงนี้วันอัคราตเนี่ยวันที่จะทำให้ผม สีดำของเด็กทารกของเด็กผมสีดำๆของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมสีขาวนันจะเกิดขึ้นตอนอายุานะตัวอะไรของผมนี่ก็เริ่มขาวแล้วเริ่มมีลักขาวของวัยรุ่นทั้งหลายนี่ยังไม่มีขาวแต่ว่านัเเครัตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพวกคุณนแม้กระทั่งคนที่หนุ่มกว่าคนที่เด็กกว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยผมจะกลายเป็นสีขาวหมดเลยเพราะอะไร เขาบอกว่าคนที่หงอกเร็วนี่เพราะอะไรครับมีปัญหาเยอะคนที่เครียดเยอะๆเนี่ยงอกไวใช่ไหมยังยังไม่ทันแก่ก็หงอกแล้วเพราะอะไรเพราะทำงานเยอะเกินเครียดเยอะเกินก็เลยงอกไวเนี่ยวันอคิรัตน์เนี่ ย, ยด้วยความเครียดด้วยความสะพรึงกลัวด้วยความทุกอย่างที่มันมันอธิบายไม่ได้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยแม้กระทั่งของเด็กนี่กลายเป็นสีขาว ลองคิดดูเอาเอางว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนี่ควรอคเรัตเด็กมันกลายเป็นสีขาวนี่ไม่เท่าไร่มันเป็นเรื่องปกติเพราะแม้กระทั่งท้องฟ้าอัสมาอุมุนฟอติรมุมเปพวกเรานี่จะไม่เป็นผมงอกได้ยังไงในขณะที่ท้องฟ้ายังแตกกระจุยเพราะความน่ากลัวของวันนั้นท้องฟ้าซึ่งมันเข้มมันแข็งแกร่งกว่าเราอีกเนี่ย ยังแตกกระจุยยังแตกแตกออกมาเป็นเสียงๆเลย้ เ, าเราเนี่ยเป็นเรืมม่องธรรมดามากมนุษย์วันนั้นเนี่ยในสุรทุลฮัดใช่ไหมครับเจ้าลักษะลาบอกเองว่าคนที่ตั้งท้องจะแท้งลูกโดยที่ไม่รู้ตัวคนที่ให้นมลูกอยู่จะทิ้งลูกของตัวเองหนีกระเจดๆๆิดกระเจิงเอออิล่ ا إ ا إ อิลอัลลอฮ์ซากรุลลอฮ์ทุกๆเลยเด็กจะกลายเป็นผมนอกด้วยความที่น่ากลัวน่าหวาดกลัวนะครับ วันนั้นจะปลอดภัยได้ยังไงถ้าสมมติถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยมันจะปลอดภัยได้ยังไงถ้าหากเจ้าไม่ศรัทธาพาวันนั้นด้วยซ้ลองคิดดูมันห้าสิบห้าสิบก็จริงนะแต่ถ้ามันใช่ละ่ะทำยังไงถ้ามันไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีขึ้นมากูจะทำยังไงไม่มีใครให้คำตอบได้ คุณจะไปบอกว่ามันไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์ซตใครกล้า บ, บอกไม่มีแน่นอนร้อยของยังไม่มาถึงอจะบอกมันไม่มีแน่นอนร้อยอร์ซได้อย่างไงใครฉลาดกว่าอันนี้เราคิดแบบสมองตื้นๆสมองงงๆนะสมองงงๆโอต็อกบอดอบอดอผสมลายยุ่งว่างี้อ่ะผสมาายยุ่เขาเรียกว่าโอต็อบอดอบอดสมองงงๆของมนุษย์เนี่ยมันคิดได้นะคิดลองดูใครที่ฉลาดกว่าระหว่างคนที่ อะถ้ามันมาขึ้นมาแล้วจะเตรียมตัวไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาตั้งแต่แรกจะเป็นยังไงอาอิละฮะอิลล allah สอบุรุลลอฮ์นี่เป็นเป็นอะไรที่หนักมากฝ่ากล้แสนี้เป็นคําถามไม่ใช่ต้องการคาตอบนะเป็นคําถามที่ต้องการประจานจะ้ทำจะทํายังไงอะวันนั้นถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพระเจ้าจะทํายังไงอาอิละฮะอิลล allah อันนี้เป็นแนวที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นแนวในการตัศซีลนะครับเป็นความเห็นหนึ่งของการทัศซีลในขณะที่อีกแนวหนึ่งนะครับทัศน์ศีลแบบแรก ห, หมายถึงว่าในวันอคัคราสในวันอคัคราสพวกเจ้าจะปลอดภัยได้อย่างไงถ้าไม่ศรัทธาตั้งแต่แรกในขณะที่วิธีการตัศซีลหรือว่าความเห็นในการทัศซีลทัศนะที่สองเนี่ยหมายถึงในโลกดุนียะแล้ว พวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺตลลได้อย่างไรถ้าไม่ศรัทธาต่อวันอัคราตเข้าใจไหมครับคือจะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าไม่ศรัทธาต่อวันอาคราตจริงคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคราฐเนี่ยเป็นคนดียากหมายถึงว่าเป็นคนดีจนถึงระดับที่ คือมันต้องมีตัวอะไรบางอย่างมามาเขาเรียกมาควส่วนใหญ่เลคนที่ทำชั่วมากๆเนี่ยเพราะเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องตายและไปเจอกับการลงโทษของลอสุภาหนอสาแล้วการที่เราศรัทธาต่อ Allah มันจะปรับให้เราต้องดูแลตัวเองในโลกนยาไม่ให้เป็นคนชั่วนี่คือความหมายที่สอง หากใกล้ฟัดตะคุบเราจะเป็นคนดีได้ยังไงจะเป็นคนที่ยำเกรงต่อละตออาไรได้ยังไงถ้าเราไม่ศรัทธาต่อวันอาคีรัตมันอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่คือใกล้ยัพสุลุลกุมตัควะอินะะกะฟัดจุมบียวมิลติยะมันจะเกิดความยำเกรงต่อละตออาไรได้ยังไงมันจะเกิดความรู้สึกหวาดเกรงมันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากทําชั่วได้ยังไงถ้าสมมติไม่มีปัจจัยที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับความศรัทธาต่อโลกสุนหาน้ำตาลนะครับ กวะด ف ع و ل กกลับไปเนะ่ยอััข้างบนสักนิดหนึ่งนะที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าเด็กจากผมดำๆกลายเป็นผมสีขาวเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุการณ์นี้ในทัฟซีดอุมนกาซดเนี่ยมีอธิบายนะครับมีระบุถึงฮะดิษของท่านนบีสุลตาลลองเวาสุลัมด้วย เรากสิดอธิบายว่าว่ามันก็วิธีเยื่วันจะจั่งลูกเวลานาชีะวันที่เด็กๆนี่จะกลายเป็นผมเสียงออเนี่ย وذلك พิณย์ก็คือตอนที่อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮฺอัลลอฮ์ได้ตรัสกับท่านนบีอาดัมว่าอ้บาสบาสนาไปเอาลูกหลานของเจ้าออกมาจากชาวนรกอ่าสั่งให้ท่านนบีออกจา สั่งให้ท่านนาบีอาดัมไปเอาลูกหลานของท่านออกมาฟาโยกูลูมินกัมให้เอาออกมาจากชาวนารกเพื่อที่จะเอาไปเข้าสวรรค์นเนี่ยคนที่นั่งกันอยู่เต็มเราในวันเกียาารตินี้ลูกหลานอาดัมลูกหลานของท่านนาบีอาดัมทุกคนเลยไม่รู้ตั้งเท่าไหร่มีอยู่ไปอัาลลอฮฺสั่งแล้วว่าไปเอาลูกหลานของเจ้าไปเข้าสวรรค์อาดัมก็ถามว่ามินกัม จากเท่าไรสัดส่วนเท่าไรที่เป็นชาวตัวพวกเราคิดว่าสัดส่วนเท่าไรต่อเท่าไร่ัลลอฮลลัลลอก็เลยบอกว่ามิ่งคุลีอัลฟนทนึ่งและที่สิบเอ็ดและ่สิ้ดนล จากทุกหนึ่งพันคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนออกไปส่งนรกและเพียงแค่หนึ่งคนให้เข้าสวรรค์ตรงนั้นแหละครับที่ผมของเด็กนี่กลายเป็นสีงองหมดเลยแล้วเราล่ะเราลองคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่เราอยู่ในเหตุเราทุกคนจะได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ا, أ ل l a h جعلنا من أصحاب الجنة a l l a خ ن ا ل ج ع ذ ن ا من النار a l l a لا تجعل a l l a h ق ن ا عذاب النار a l l a ق ن ا عذاب النار a l l a ع ت ك ق ا ب ن ا من النار Allahumma ن ت ك رقابنا من النار لا إله إلا الله صلّى الله ลี่ย ك นี่เราแต่ละประกาศเองอินฮะซิฮิทัสกิรอทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดที่เราบอกเจ้าไปก่อนหน้านี้ว่าจะเราจะลงโทษเจ้าในวันอัคราจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินจะกระจุยภูเขาจะกระเจิงหมดเนี่ยอินฮะซิฮิทั้งหมดนี้เป็นทัสกิรอ เป็นเครื่องมือเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเจ้านั้นได้รับเอามาเป็นบทเรียนเตือนเจ้าฟาดกินนะเร แ, แต่ละสั่งให้ท่านนาบีเนี่ยกินตักเตือน เ, นเรื่องเหล่านี้ชใครที่อยากจะได้บทเรียนก็ให้เขาแสวงหาหนทางกลับไปอยู่ไปยังอัลลอฮฺสุบฮาน แต่มันช่าใครที่อยากจะได้รับบทเรียนจากเรื่องราวนี้เขาจะต้องหาทางว่าทำอย่างไรจะกลับไปหา Allah ตรีกันยุสิรอิลลอห์ความโปรดปรานของ Allah ซุลมานอาาลาัลจาลัยพี่น้องครับเราอยากจะได้บทเรียนไหมเราอยากจะเป็นคนที่ได้รับบทเรียนจากเรื่องราวต่างๆที่อัลกุรอานนะครับได้สอนเราหรือเปล่าอายักนี้นี่เป็นการชี้ว่า มนุษย์ต้องปฏิบัติธรรมะอิม่มามอุสสัตดีในการตักเีร์อายัดนี้ท่านบอกชัดเจนว่าอายัดนี้เนี่ยเป็นการเป็นการอธิบายอย่างชัดเจนว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้หมายถึงหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะอะไรจะกําหนดแล้วว่าอันนี้เป็นชาวสวรรค์อันนี้เป็นชาวนรกแต่นั่นเป็นการกําหนดของพระองค์ซึ่งพระองค์รู้คนเดียวเราไม่รู้เราไม่รู้เราเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ สิ่งที่เรารู้ก็คือเราต้องทำตัวให้เป็นชาวสวรรค์ให้ได้นี่คือความหมายของอญญายัตนี้มันไม่ใช่ให้เลือกนะใครอยากจะเป็นชาวนารกมันในสุราตัลกาฟีฟิยุมิน mine, ว่ามันชาอัฟฟัลยักฟุไม่ใช่ว่าให้เลือกเป็นชาวนารกหรือเป็นชาวหมายถ้มันในบอกว่าเป็นชาวนารกก็ได้แล้วแต่ฉันอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเป็นการปลุกเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์ให้ได้ อย่าเป็นชาวนรกเข้าใจไหมฮะขึ้นอยู่กับการเลือกของเราอิมามอัลีมามุสซาดีบอกว่าว่ฟีเฮะเดลิลนอัลลอฮ์ทอัลลอฮ์ท๊ะอัลลอฮกท๊ะอัลอฮ์ท๊อัลลอฮ์อัลลฮ์ท๊ะอัลลอฮ์ท๊ะอัลลอฮ์ท๊ะอั่ลอฮ์ลทอัลลอทะอัลลอฮ์ทะอัลลอะอัลลท๊ะอออัลละฮะะอล กฎสภาวการของบาวเนี่ยตามตามอะไรฮะตามการกระทําหรือว่าตามพฤติกรรมตามอำมานของพวกเขาซึ่งทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ Allah เช่นเดียวกันสิ่งที่เราทําก็เป็นความประสงค์ของล l l a h นะครับความประสงค์ของ Allah วิชาอังเดะเนี่ยเวลาที่เราเรียนวิชาอังเกดะมันจะมีความประสงค์สองแบบเขาเรียกว่ามัชชีอะคุนียะกับมัชชีอะตุนชัรรียะ ลองกลับไปทบทวนดูนะครับอัละตะลตลาต้องการให้เราทำดีเป็นความประสงค์ของอัลลอ์เพราะฉะนั้นต้องทำดีต้องทำอามัลอิบาดัตเพื่อที่จะให้เรานั้นปลอดภยัยถ้าเราไม่ทำดีอะไรก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเราไม่สะสมความดีเอาไว้วงตรกูลก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้อันนี้เราเรียนแล้วนะครับในสุลตุลฮ นะฝ่ามันเช่าอิจต์ข้าได้เอารับพี่สบจงกลับไปหาอัลลอ์จนจงหาเส้นทางที่จะพาเรากลับไปยังความโปรดปราดของอัลลอฮ์สุบฮานตาลให้ได้นะครับใครที่ได้รับกทเรียนแน่นอนนะครับมันจะเป็นไปโดยปริยายใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานเข้าใจอัลกุรอานชีวิตของเขาจะเปลี่ยนจากเดิมเข็มทิศชีวิตของเขา มุ่งไปทางหนึ่งเนี่ยถ้าเขาได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานเนี่ยเข็มทิศของเขาจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติถ้าตราบได้เขม็มทิศของเขาเข็มทิศชีวิตยังไม่เปลี่ยนแสดงว่ายังไม่ได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานยังต้องเรียนต่อไปเป็นไปไม่ได้คนที่เรียนอัลกุรอานแล้วได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานแล้วเข็มทิศชีวิตจะไม่เปลี่ยนเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนแสดงว่ายังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับบทเรียนอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้เรากลัวเพราะว่าบางคนเรียนอลัลกุรอานไม่ได้รับบทเรียนจริงๆอันนี้ตั้งหากที่เรากลัวเรากลัวว่าเราเรียนเราฟังเราฟังนักวิชาการคนนั้นเราฟังนักวิชาการคนนี้แต่มันไม่ได้ซึมเข้าไปแล้วก็ไป ม, มีอิทธิพลในหัวใจของเราเลยมันจนกระทั่งหัวใจของเราด้านชา พอผ่านไปผ่านไปผ่านไปหัวใจของเราด้านชาฟังแค่ไหนมันก็ไม่ได้อันนี้ค <comigo> ือ <onde> สิ่งที่สาคัญมากที่เราบอกว่าต้องดูแลหัวใจเพราะเรื่องนี้แหละต้องเตรียมหัวใจในการเรียนอัลกุรอานเรื่องนี้แหละต้องเตรียมหัวใจให้ดีในการเรียนอัลกุรอานนะครับแล้วอเลนนกลบน Allahumma ya musrif al qulub ซัลฟ์ qulubana ila ta'atik ฮะดิษบอกนี่นี่ดูอ้างบอกนี่นะจต่านสั้นมากนะดูอ้างบอกนี้สั้นมากแล้วก็ไปหามานัเขียนเอาไว้เลย Allahumma ya mukalib al qulub ซับบิต qulubana 'ala din an ta'irah um s ta u r a l h u u s u l u b ซัลฟ์ qulubana ila ta'atik หัวใจของเรานี่อยู่ระหว่าง osbain อัอบี๊ย์ัหมอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาพลิกแพลงเหมือนกับคนนกที่อยู่ท่ากลางสนามกว้างเพะนั้นต้องดูแลหัวใจให้ดีหัวใจคือทุกอย่างที่จะเป็นแหล่งรับบทเรียนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจะเป็นที่ที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาดูว่าพระองค์จะทรงตอบแทนเราด้วยสิ่งที่ดีหรือด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับเอาบินละฮมันา อัลฮัมดุลิลละจบตอนนี้อินชาอัลลอ์ครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าตอนจบของสุรานี้นะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ุบฮานตะอลได้สาธยายอย่างสวยงามนะครับนะบทสรุปของมันเนี่ยเราจะพบว่านะตั้งแต่ต้นสุรอมาจนกระทั่งถึงอายัดนีนะ้เป็นการที่อัลลอฮ์ุบฮานตะอัลปลอบประ ย, ปยนท่านนาบีสุลตานลพร้อมทั้งชี้แนะแนวทาง ว่าท่านจะต้องรับมือกับปัญหาการต่อต้านของบรรดามุสลิมีอย่างไงจะต้องเตรียมหัวใจอย่างไรจะต้องกําหนดจุดยืนของตัวเองย่งไรเวลาที่ตัวเองโดนต่อต้านจากคนอื่นเราสามารถที่จะได้รับบทเรียนนะครับสุดท้ายลสุภาห์จ่าอลาก็ยังได้พูดไกลๆกับบรรดาคนที่ต่อต้านว่าระวังให้ดีนะถ้าพวกเจ้าต่อต้านถ้าพวกเจ้าปฏิเสธท่านนบี m ัม a m m a d sallallahu alaihi wasallam สุดท้ายแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นนะครับครบเครื่องนะผมว่านะ จ, จริงๆแล้วครบเครื่องมันมีทั้งรสหวานเราจะเ ป, เปรียบเทียบกับอาหารเนี่ยเราลองสังเกตลองอ่านดูทบทวนความหมายของมันดูให้ดีเริ่มแรกๆเนี่ยเริ่มมารสหวานก่อนรสแบบนุ่มๆ ม, มาก่อนยาอายุหัลมุซามิอุมิไลแล้วก็เริ่มเข้มข้นพอถึงกลางๆเนี่ยเผ็ดจัดจ้า ม, มากเข้มข้ น, นจนกระทั่งแบบ พระสีจีดขึ้นมาบนบนสมองเลยอ่านอายะต์ตรงตกลางเนี่ยอัลลอฮฺและสุดท้ายสุดท้ายก็กลับนะลงมาอีกรับนะ فمنشاء اتخذ إلى ربه سبيلا ว่าใจของเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเวลาที่เราอ่านสุรานี้ลองกลับไปลองกลับไปปรุงดูนะครับปรุงสุรานี้ดูเวลาที่เราอ่านเนี่ยต้องอ่านพร้อมๆกับความรู้สึกว่าเรากาลังเรียนรู้อะไรจากสุรานี้ ความมายของมันที่เราได้รับจากสโลนะนี้มันมันทำให้ห <ika> ัวใจของเราได้รู้สึกถึงอรรถอันงดงามของมันได้ยังไงบ้า والله تعالى أعلم صلى الله و على نبينا م ح م د و على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون س و سلام على المفسرين والحمد لله رب العالمين